ธรรมะคือเรื่องชีวิตประจําวันนิมิตก็ดีความรู้ก็ดีที่มันเกิดขึ้นกำหนดหมายเพียงแต่เป็นอารมณ์จิตความเจริญของสมาธิความเสื่อมของสมาธิมันก็เป็นแค่อารมณ์จิตจุดที่เราจะเอาสติตัวเดียวที่รู้ตัวอยู่เท่านั้นรู้ในปัจจุบันเวลาจิตมันเป็นสมาธิจริง ถ้าจะเกิดภูมิความรู้มันจะกระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่เหมือนที่เราผูกลิงเอาไว้ดูเล่นและเมื่อเป็นเช่นนั้นมันเป็นสมาธิปัญญาได้อย่างไรมันเป็นได้ตรงที่สติมันไล่าตามทันหลักก็คือว่าเวลาเรากำหนดสติทำสมาธิถ้าจิตอยู่ว่างๆปล่อยให้ว่างมันจะว่างไปถึงไหนว่างไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายก็ช่างมัน เพราะว่าความว่างของจิตเป็นฐานสร้างพลังสร้างพลังทางสมาธิและสติแม้ในสมาธิจะไม่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเมื่อออกจากสมาธิมาสติมันจะเข้มแข็งเราจะมาได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันธรรมะที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่อื่นไกล คือเรื่องชีวิตประจำวันของเรานี่เอง